و َلَقَدْ ن َ ج นิَิส ن าอีลจากอาณาจักรมุฮีนและเราได้หนีอิสราอีลจากอาณาจِกْมุฮีนท Li ลยามินัลมุสลิฟ إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتة للهؤلاء إن هي إلا موتة للهؤ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 اللهم ب ك к أصبحنا و ب ك к أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليكن نشور أعوذ بك لمات الله ا ل تامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضي ب الله رب وب الإسلام دينا وب محمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في ب د ن ي وعافني في سمي وعافني في بصر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة أرشه و م د د كلماته ยา ح ي ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ترفت ع ي ن ال حسبي الله ونعم الوكيل س ب ح ا ن الله وبحمده عداد خلقه ورضا نفسه و ز و و و ن تعرشه ومداد كلماته ياحيو ياقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ترفت ع ي ن حسب mm. e ิ الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี like ่น้องที่ร่วมงานสบุที่มัสยิดอันวาลิุนาที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามรายการ ตัปซิลคุรานทางเฟซบุ๊กสวรรค์นในบ้านนะครับที่นั่งอยู่ที่บ้านท่านลฮัมดุลิละกอนเดินชวนชวนกันนะครับให้ขอบคุณอัลลอฮ์สุพานณหัวตาลาเพราะการซิกเก็ตถึงอัลลอฮ์เนี่ยทําให้หัวใจาสงบ ก, การอ่านกุรานนี่คนเค้าใจซิกเก็ตถึงอัลลอฮ์เหมือนกันนามาต์ก็ซิกรุลลอ ก่อัลอฮฺ سبحانه และก็อัลลอฮ์ลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮฺลาอิลลัอฺอลลอฮฺลา้ิลมัอฺาเพื่ัออัลลอฮฺลาอิลลัอฺอัลลอฮาอิลลอลลอฮ ต้องทำเพื่อ Allah ทีนี้ซิกรุลล้อในี่ได้อะไรกูอ่านเราอ่านกันบ่อยเตือนกันน่อนะการซิกรุลลนัเนี่ยอะไรทำให้หัวใจสงบทำให้หัวใจสงบอลาบิซิกริลลาฮิ ตาตมาอินนุลกูรูปจงรู้ไว้เถดิด ว, ว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์นะ่มีอยู่หลายแบบเนี่ยนะทำหลายหลายแบบก็ได้หรือแบบเดียวทำเป็นประจำจะทำให้หัวใจสงบแต่หัวใจสงบนี่โรคภัยไข้เจ็บมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าหายไวแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไวแล้วก็ความเครียดมันก็มีด้วยกันทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันค่อยๆหายไป มาถึงกับค่าตัวตายหรอกคนไม่มีศาสนานี่มีปัญหานิดนึงก็ฆ่าตัวตายแล้ลบ น, รร น, น, น, ลน บ, บีสั่งอย่างนี้นะดีนะห้ามเอาปืนเนี่ยมาขู่คนข้ามถือปืนน บ, บีสั่งมุสลิมนเนี่ยห้ามถืออาวุธเข้ามัสยิดไม่ควรถือไม่ควรถืออาวุธเนี่ยขู่คนก็เราอ่านข่าวจาก Facebook นี่เวลาส่งมาเรานี่มันทํา ผีสู่านะเทั้งหมดนั่นแหละแต่กี้น่าอนข่าวนิดหนึง่งตอนตีตีสามครึ่งเรอผัวเอาเมียอะไรเอาปืนขู่เมียแล้วลั่นนะถูกเมียตายอ่ะนี่ไม่ใช่มุสลิมเราวันนั้นาคนกาเฟสเนี่ยหรือพูดตรงๆว่าไม่มีไม่มีทางน้ำสำหรับชีวิตแต่ผู้ศรัทธาต่อเราเนี่ยพยายามศึกษาอลัอลกุรอาน นะนบีจะสอนจะนอธิบายฉะนั้นเราเนี่ยต้องยืนหยัดกับอั uran, ลกุรอานลักษนะของท่านนาบีถึงจะปลอดภัยนะครับขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเราจะทบทวนอัลกุรอานมาถึงสุรอดดอัดดูคอนอัดดูคอนนี่แปลว่าไอามอกเราก็พูดเรื่อยๆเนี่ยนะไอหมอกเนี่ยมาสองครั้งครั้งแรกนำมาแล้วสมัยท่านนาบียังมีชีวิตอยู่หมอกควันนี่มาเนี่ยประชาชน จะลำบากทําไมลำบากกเพราะด่านบีอลก็หลงโทษให้เห็นนะนะด่านาบีไล่นาบีออกจากนาครมกกะกาไปอยู่ที่นครมดีนนะแล้วก็ตามไปรนครนี่กนะ็ยกทัพไปไปทําสงครามก่อ น, นบีนะบีมีทหารแค่สามสิบสามคนแต่พี่น้องชาวมกกะกาเนี่ยพากันไปพันคนนะ่ะแล้ไปทําสงครามนะใครแพ้ อมุสลิมชนะแค่อะไรนะแค่ทหารซาบานน บ, บีแค่สามรอสิบสามคนนบีก็ขอด้องอัลลอฮ์จาอลัาาอลลอฮ์ไม่ช่วยงานนี้เนี่ยตายหมดตายหมดแล้วก็คนจะอิบราดะตออัลลอฮ์คนมีแต่ ว, ว่าคนที่เป็นผู้นำอะ่ะจะนําคนให้อิบราดะตออัลลอฮ์มันตายหมดอะ่ะอัลลอฮ์ก็ส่งมาลายกาลงมาเนี่ย อย่างเงี้ยเป็นต้นออช่วยตลอดเวลาแต่้นไอช่วยแบบมือมองไม่เห็นนะอย่างเงี้ยเรามาอ่านมาถึงประวัติใครอ่ะแล้วก็ดูคอจะมาอีกครั้งหนึ่งใกล้ๆวันเกี่ยวมาคนมันเร็วมากขึ้นเตือนแล้วไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใครเชื่อออลก็จะส่งดูคอนมาก่อนจะมีดูคอนก็มีดวงอาทิตย์ทางจะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันต ก, ก่อนแล้วก็มีดัดจานมาแล้วก็มีเนี่ยสมอกมีไอหมอกมาแล้วก็ พอขึ้นทางนี้ปั๊บเนี่ยนะคนจะคิดจะเตาบ้าตัวจะเป็นคนดีเนี่ยเอารับไม่รับเลยเพอเปิดโอกาสมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วเนี่ยยังไงส่งนบีมาต้องรวมแล้วทางนาบีประมัทเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนมาสอนศาสนาเพราะเป็นห่วงมนุษย์มนุษย์ก็อร่อยจริงๆอเออวันนี้ เรากำลังอ่านสุราะไรอัดดุคอนแล้วก็อายะที่30มิทีนี้ก่อนอายะนี้เนี่ยเราอ่านพบบอกว่า Allah อัลลอฮ์ให้ฟังบอกว่าฟ้ามาบักัตอายะที่ยี่สิบเกนะอะไรฮิมุสซมาอวัลอาร์ดูวามากานูมุนจอรีนบักัตตะวาร้องให้ธรรมดาเราเห็นลูกเราร้องตัวเราเองร้องภรรยาร้องเด็กร้องไก่ร้องอะไรร้องหมด กายร้องคําสั่งเสียงอย่างหนึ่งคนร้องก็เสียงอย่างหนึ่งแต่นี้อลัลลอฮ์เล่าเองอัลสมารถลอาร์ดูชันฟ้า ah และแผ่นดินเนี่ยร้องให้เนี่ยถ้าอาลัลลอฮ์ไม่เล่าให้เราฟังเราจะรู้เอเราไม่รู้พี่น้องนี่เป็นความลับหมดเลยนะต้องอัลฮัมดุลิลลาะเอาความรู้นี่ให้กับนบีผ่านนาบีให้นบีมาสอน เลาเล่าเองนะครับบอกว่าฟรั ม, มาบาคัตอะัยฮิมุสมาอวัลอาร์โชั้ชนฟ้าและแผ่นดินมิได้ร่ำไห้หรือร้องไห้เสียดายแทนใครหรือเปล่าเฟรนัวนตายคนเบาที่ไหนละครเฟรนนแล้วก็ลุงน้องอีกละ่ะและทหารนีกลกประมาณเจ็ดแสนผมอ่านในทวีตนานแล้วนะประมาณเจ็ดแสนคนนะตายเรียบหมดเลย่ะ แล้วก็ม้าอีกล่ะแล้วก็อาวุธอีกเท่าไร่จมหมดเลยครับขนาดเสียหายขนาดนี้เนี่ยอาร้อเล่าเองนะชันฟ้าไม่ได้เสียใจแผ่นดินไม่ได้เสียใจสักนิดหนึ่งวามากาโนมุนโกรีและพวกเขาจะไม่ถูกผ่อนปลนคือพ่อนปลนมานานแล้วกัฟเฟิลนะอาร้อนให้มีชีวิตอยู่นะสี่รอยปีนะ่ะไม่เคยเป็นวันแล้วที่ผ่อนปลนยาง และให้อยู่ในอยู่ในะอะไรหนะพระราชวังอ่ะเรามีทหารรักษารักษาพระองค์ในประมาณสามหมืห้าพันคนยังไปไม่รอดเลยนะนี่มันเตือนเรานะฉะนั้นอย่าหลงกับอํานาจที่มีอยู่อย่าหลงกับเงินที่มีอยู่แบบกอรูนอย่าหลงกับขา้าอะไรตำแหน่งราชการที่ไอ้ขามอบให้เป็นนั่นเป็นนี้อะไรก็ตามรวมไม่ถึงเนี่ย คณะกรรมการรงส่วนเราเยอะไปกังเลยนักหนาใช่ไหมนะต้องนอนน อ, อ, อมต้ตองทอมตนตอลลอดได้ตําแหน่งมาอเราจะสอบในวันเกียมะมาไม่ใช่ไม่ซอมนะสอบวนะันกียร์มาแล้วผ่านไหมล่ะมันต้องเนี่ยพอฟังกูอ่านฟังหะดีแล้วก็ใจมันก็จะนอนนอนแล้วทอมตอนตัออลอดทีนี้ในทับในทับซีอธิบายดีนาเจ้าซอิบอิบลูกาเซตเนี่ยเขาบอกว่า มุมมินตายไซนาอัลีนะไาลีไซนาอัลีอธิบายบอกว่าจากอิบนุกาซิดนะทับซิดอิบนุกาซิรนะอิบนุกาซิดเป็นทับซิดที่ดีที่สุดในบรรดาตัฟซิดทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะเอามาจากกุรอ่านอธิบายคุรุอ่านแล้วก็แล้วก็คุรอานฮัดดิมาอธิบายกุรอ่านอีกทีในทับซิดอิบนาคาซิรนะอธิบายบอกว่าท่านไซนาอัลีพูดบอกว่า คนดีๆคนซ้อนและคนมุมินตายนเนี่ยแผ่นดินจะร้องหไห้เร้องยังไงเราไม่รู้เป็ดก็ร้องอย่างไก่ก็ร้องอย่างคนก็ร้องอย่างลากร้องอย่างใช่ไหมจะร้องแบบไหนเราไม่รู้แต่อธิบายอย่างนี้สาเหตุที่ชันฟาร้องไห้เนี่ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันมีประตูสองบานทุกคนจะเป็นมุหมินไม่ใช่มุมิน บนโลกใบนี้เนี่ยเอ า, ามีตอนนี้มีเจ็ดเจ็ดพล้านคนเจ็ดสองสิบ2ีเท่าไรก็นี่เองไปนคนูณบวกคูณนเองก็แล้วกันมีประตูขึ้นกำลงนี่นะประตูขึ้นก็คือพาอามมนซอนแะของเขาที่ทำบนโลกดุนยาใบนี้กับคำพูดดีๆเนี่ยพาขึ้นข้างบนนี่ประตูบานหนึ่งเปิดอยู่ แล้วก็อีกประตูบานหนึ่งลงมาริสกีลงม า, งม า, าผู้ศรัทธาต่อลอดเข้าใจง่ายครับเห็นบ้าวไม่เคยเห็นนะแต่เราเล่าให้นบีฟังนบีก็เอามาสอสานไซนาดีก็มารายงานฮะดิบบนี้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนจะมีประตูสองประตูถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วประตูบานหนึ่งอริสกูนาะวิลุนอะไรใหริสกีจะลงมาหาเขา ความรู้สติปัญญาเงินทองลูกเมียอะไรก็าตามแต่จะเอาล่อให้เรามานะครับนะผ่านประตูบานนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกิดขึ้น้วยความบังเองิญเอาลอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนี่เล่าให้ฟังไม่เชื่อก็เรื่องของท่านมีปัญหาใช่ไหมล่ะและอีกอีกประตูอีกบานหนึ่งอามั่นซอแ้วของเขาจะขึ้นไปตัวลงว่าความดีที่มนุษย์ทำเนี่ยหายไปไหนไหมไม่หายถูกบันทึกไปหมดเลยแถมยังขึ้นข้างบนอีกอ่ะ อธ er ิบายเพิ่มเติมก็คือว่าวันที่นบียูนุสอยู่ในท้องปลาท่านขอดูอาใช่ไหมละอิละฮะอิละอันตะสุบฮานะกัยนีกุนตุมีนอรอรีมีเสียงขึ้นมา้างบนแล้วก็มันลกาวเทานี่เสียงใครบอกทำไมอ่ะ มันมาขึ้นไปจากที่ที่แปลกที่สุดนะ่ะที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้นะ่ะไม่เคยมีเสียงขึ้นไปก่อนอใช่ไหมเร า, าบอกว่านี่เสียงนาดียูนุสทําไมนะ่ะตอนนี้อยู่ในท้องปลาแล้วนี่กำลังขอร้องฉันให้ช่วยแล้วก็ถามว่าช่วยป่าบอกช่วยในคุรานอธิบายต่อนะวะลาอลาก้านามินัลมูซับบฮินท่ารนบียูนุสเลยนะไม่เคยตัสบีต่อรบมาก่อนล่วงหน้า เอ็อยู่ในท้องปลาจนกว่าจะถึงวันวานเกีย้ยมาเนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังเองฉะนั้นก่อนหน้าที่นบียูนุสจะอยู่ในท้องปลาเนี่ยเคยสรรเสริญอัลลอฮ์เคยยกย่องอลัลลอฮ์เคยพูดช ม, อ, ชมอัลลอฮ์กรใจายมาอธิบายเข้าตัวอเองบ้างเราเองดูไหมการที่อลัลลอฮ์ช่วยเท้าก่อนหน้านี้นะ่ะเคยทํำอะไรอลัลลอฮ์พอใจมีไหมนํามาใครบไหมจ่ายสากาัดไหมดูแลพ่อแม่ไหม ดูแลภรรยาป่าหรือว่าเตะภรรยาทุกวันมันก็ต้องนึกนะอ้เราทำดีขนาดนี้ทำโดยดีแล้วเราจะเวลาขอหน u าเนี่ยเราก็รับหมดช้าไว้อีกเรื่องหนึ่งเพราะดูอามีอยูห5อย่างขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้าสามขออย่างนึงได้อีกอย่างหนึ่งข้อที่สี่ขอแล้วไม่ได้แต่บาราไม่มีข้อที่ห้าขอแล้วไม่ได้บนดุงยาแต่ไปได้อาครอนี่ พอเราศึกษาฮะ ด, ดีษจากคุรานทั้งหมดนี่นะได้ความรู้เพิ่มเติมทําให้เราเนี่ยวางตัวอารยธมโดยละเอียดีมากครับตัวลงว่ามุดมินตายเนี่ยแผ่นดินร้องไห้ไหมแผ่นดินชันฟ้าทั้งสองเลยนะแผ่นดินชันฟ้าเนี่ยร้องไห้ถ้าคนชั่วตายล่ะอรรเละเองนะแผ่นดินกับชานฟ้าเนี่ยไม่ร้องผมว่าแต่เราึกเองนะอาจจะหัวเราะด้วยเออมึงตายซะก็ดี ต่มาวันนี้อายที่เท่ากับสามสิบนะครับขอบคุลิลละวะลาคอเดนจัยนับบนิอิสราอิลมินัลอาซาบิลมุฮีนวะลาคอเดนจัยนับบ ا นิอิสราอิลมินัลอาซาบิลมุฮีน ดูซ้ำบ้างนะ <c oughs> นัจยานาะแปบลบว่าเราได้ช่วยเขาให้ปลอดภัยช่วยเขาให้พ้นจากความลําบากใน ว, วันนัจาเรามาถึงอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนละกอดประวัแน่นอ น, บบ น, น, อนยิ่งเราอัลลอฮ์ได้ช่วยช่วยใครครับบานีบารีแปลว่าวงวานอิสราอีนก็อิสราอีนวงวานของ ของบ ن ีอิสราเอลที่ต้องการจะเล่าวันเนี่ยอามัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบุรีอิสราอีพวกคืออธิบายมาแล้วน่ยมีหกอย่างอธิบายลา่วงหน้าไปก่อนแล้วนะหนึ่งในหกนี่ไงว่าเาก็ดานเจยนาบนุรีอิสราเอลีมินะละดาบิลมุฮีนเราได้ช่วยให้วงวานของอิสราอีกับคนยิ้มนี่แหละ แล้ววันนี้เป็นยังไงโอ้โหเนเขาช่วยตอนรแรกๆนั้ลืมแล้วก่อนที่จะช่วยเนี่ยฟรโอนจับเป็นไรเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์เอเลอกก็เมตตาทรงนบีมูซามาจากบนิอิสาราอีนี่แหละมาให้ทำพี่ตรอมาอะไรมาสอนกันประมาณสามสี่สิปีแล้วฟาโรเชื่อไหมล่ะเอเล็กเล่าให้ฟังหมดเลยหน้าแตก ทีนีหนึ่งใน6ที่เคยอธิบายไปแล้วว่าหนึ่งใน6รายการเนี่ยหนึ่งก็คือให้เขาปลอดภัยจากการจมน้ำแล้วก็ให้ฟาโรห์จมน้ำจานนี่เป็นเนี่ยอัมัดที่อัลลอ์ได้ประทานให้กับพวกบาเีอิสรล อ, อีนโอ้ถ้าให้กับพวกเราเนี่ยพวกเราบาเนอ้นะนี่ให้กับบาเนอิสรล อ, อีล อลาซาแปลว่าการ <c oughs> การทรมานหรือการลงโทษอัลมูฮินที่น่าอดสูอลัละอนเล่าเองนะฉะนั้การตายเนี่ยการตายต่อหน้านาบีมูซาเนี่ยนบียืนอยู่แล้วคนตายถูกลงโทษตายเนี่ยมันหนักกว่าคนที่ตายแล้วนบีไม่เห็นมันต่างกันนะไอ้คนที่ดาสุ น, น่านาบีเนี่ยเหยียบเอาเอาเอาเอาเอาท้ามาเหยียบกุรอานเนี่ย ถ้าเราจะลงโทษนะมันก็ไม่นักเท่ากับนบียังมีชีวิตอยู่ยอาล่อนลงโทษคนที่แอนตี้อิสลามต่อหน้านบีนะวันนั้นคนนั้นหนักที่สุดแล้วแล้วก็ในวันลงโทษเราตายแล้วจบหรือไม่จบตายไปแล้วถูกลงโทษในกูโบต่ออีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ที่บอกหหอย่างเคยเล่าให้ฟังแล้วก็เล่าใหม่นะข้อที่หนึ่งนี่ให้ให้ปลอดพน ใ ห, ให้รอดให้รอดพ้นจากการลงโทษนะครับเรื่องที่สองฟัตดลนาอัลลาฮ์มีในอธิบายนะอัลลอยกย่องมาให้บรรดานิอิสราเอลเนะี่ยเป็นกลุ่มชนที่ประเสริฐที่สุดในวันนั้นนะไม่ใช่วันนี้นะฟัตดลนาอัลลาฮ์มีได้ยกย่องให้เกียรติพวกบรรดนิอิสราเอลเพราะอะไรให้เป็นประชาชาติที่เด่นที่สุดในวันโน้นนะไม่ใช่วันนี้เรื่องที่สาม ออลได้ช่วยเดี๋ยวค่อยๆอธิบายไปดีกว่านะเสียสเวลานะครับต่อมารับในใกุรพานณอธิบายต่อบอกว่าม uh ินัลอาดาบิลมูฮินมินฟิรานอายที่3ามิเอมินฟิรานจากอะไรจากฟิรานอินนูกะนาลิยามมิณัลมุสลิฟิน มินฟีร์ก้าวอันอินน์ห์เขาเป็นอาลัยจากช ا ل มุลมสลิมอินน์อัลลอได้ช่วยบันิอิสราอีนจากการทรมานที่อดสูจากเฟรอจากน้ำมือจากความชั่วของเฟรอเ น, นี่ยเราเล่าให้ฟังนี่ยังเนี่ยรู้ป่าเนี่ยไอ รมนอะไรต่ออะไรที่มีคิกครองกันหลายประเทศเนี่ยนะถ้าจะระเบิดตายกันหมดนะภายในไม่ก AH ี time, ่นาทีนะแต่ a ล l a h น่าจะพิกลอ่านเองนะวาละดับอัลลอฮน้าซาบะออฮลิบนลาฟซาดาติลอถ้าอัลลอฮฺไม่ยับยั้งคนหนึ่งประเทศหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งยับยั้งคนอีกกลุ่มหนึ่งมาให้ทำลายกันนะปณิ บ้านเมือ ง, บ, องบ้านเมืองนี่ทำลายหมดแล้วเป็นจุยหมดแล้วทั้งนั้นใครจะคิดอาวุธปรามานูก็คิดไปเถอะขนาดอเมริกาส่งดาวอะไรนี่วันนั้นจะรวดขึ้นไปใช่ไหมตอนคืนเนี่ยพูดเยอะพูดจนกระทั่งอาอม์มันไส่เราเองพูดศรัทธาเราเอ ง, งพูดภาษาอย่างนี้เลยเนี่ยราดที่ไหนอ่ะสามคนเป็นไงตายเรียบ ใช่ไหมระเบิดกลางอากาศนะ่ะฉะนั้นระเบิดปรามโนก็ดีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาต้องการจะทำลายเป้าหมายเนี่ยทำลายอิสลามไม่ใช่ทานายคนหรอกอ่ r วลว์ War, War, ฟอร์สวอลว์ฝีมือใครเซคันด์วอลว์ฝีมือใครอญี่ปุ่นถูกทำลายไปสองสองลูกฝีมือใครไม่ใช่มุสลิมสักคนนึงเราพูดเต็มปากไม่ใช่มุสลิมมุสลิมถูกรังแกตลอด ตน้อัลลอ์เนี่ยนัดใจนะหนึ่งอัลลอฮ์ได้คุมครองคอยคุมครองานนั้นต้องชุ ก, กุตต่ออัลลอฮ์เยอะๆหนึ่งสุานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาอัสตัฟุรลุลลอฮามประโยคนี้ให้อ่านเยอะๆให้อ่านกุณอ่านนำมาอย่าให้ขาดบริจาคดูแลสังคมให้ดีอัลลอ์อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยครับเอาต่อมาครับฟูนเนี่ยวันที่ฟิูนตายเนี่ยนะ มินฟิโรนจากฟิโรนอินนาหูแท้จริงหูหมายถึงฟิโรนอินนาหูอินนาหูแท้จ ร, รนนนนทจริงฟิโรนนั้ น, ก, นก้าเนี่ยล้อเ่าอีกนะอาริยันเป็นผู้ที่โอหังโอโหภาษานีแสบโอโหังแล้วก็เยื่ยยิ่งจงองหงภ า, าษาไทยพูดกันสามคานะเ ย, ะยื่ยยิงจองหองอวดดีอ่าสีข่ขาอาลิยันอะ ทำตัวใหญ่ไงทั้งๆที่ Allah สร้างมามนุษย์เนี่ยอ่อนแอทุกคนอ๋อแค่น้ำตามนิดยยังเดินไม่ได้อ่ะ <laughs> อวดดีแล้วพอมีตำแหน่งในอวดดีมีเงินหน่อยอวดดีมีชื่อเสียงโด่งดังนี่หนึ่ง Allah อวดดีกันทั้งหมดอินนะฮูกาณาลียนต่อมาครับอัลมุสริฟินผู้ฝ่าฝืน Allah อะว เราไม่มีหน้าที่ไล่คนให้ตกนรกนะ่ะเรามีหน้าที่เชิญชวนค น, ม, นมาทําความดีขณะฟาโรนะันเลวคนนั้นนายอัลลอฮ์สั่งมูซากับฮารุนบอกว่าอิดฮะบะอิลาฟิร اؤ นสองคนคุณเนี่ยเป็นคนดีที่สุดน่ยไปหาคนที่เลวที่สุดเลวกว่าเราแล้วง่ายๆมูซาก็าดีกว่าเราใช่ไหมอัลลอฮ์สั่งนะบีมูซากับฮารุนบอกว่าไปหาฟีร اؤ น, นั่น จงพูดจาดีๆไม่ใช่ดา่าน บ, บีเนี่ยพูดจาดีตลอดถูกด่าตลอดแต่นี่นิดเตือนพวกเรานะชอบด่าค น, นเราในี่ด่าคนนะถาว่าดีหรือไม่ดีน บ, บีถูกดา่าซาบ้าน บ, บีถูกดา่า แต่เราว่าเดินตามนาบีเดินตามอะไรสหฮาบะกับดาคนอื่นนะแล้วก็เอาสุนัขนบีมาช้าช่วงไหนอ่ะรถท่านมาอย่างเดียวอัครลากเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยอัคลากประจำวันเนี่ยฉะนั้นถูกดา่าไม่ใช่ด่าคนอื่นผู้จ้าแรงลอเสียงดังตะคอคนอะไรอ่ะดังนี้เป็นต้นนะครับ มิมฟิร้างนจากฟิร้างนอินนูกานะอาลัยมินัลมุสริฟีนแท้จริงฟิร้างนนั้นเป็นคนที่โอหังอวดดียิงโยโสอัลลอฮ์มินัลมุสริฟีนจากผู้ที่ฝ่าฝืนคนหนึ่งในบรรดาคนชั่วๆทั้งหลายที่อยู่บนโลกดุจยาใบนี้นะอูซบิลลาฮิมินตาลิก เมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยเราเราอ่านพบในกุรอ่านบอกว่าหลังจากฟื่อโอนตายจมน้ำตายเนี่ยนะฟนอ้นทิ้งเอาไวน้นะหรายการจับจาได้ไหมทิ้งไว้หรายการ น, นหนึ่งอะไรนะสวนหลากหลายไม่จะบอกว่าสวนอะไรเ้าก็นึกเองก็ได้สวนอินทรพลำอะไรอย่างเงี้ยนะเอาเยอะหน่อยสอง อาอยุนตาน้ำเดีย๋ยวรอให้นะผ่านหมดเลยนี่นะแต่ไม่เคยสูดหยุดต่อลเลยสักนิดหนึ่งนะ่ะอันที่สามจุรวกมาถึงไร่นาะในประเทอียิปต์นะข้อที่สีมากอมิงการีมอาคารระหูฐานตึกรามบ้านช่องโอโลสวยร้ อ, อให้อะ่ะถามมันได้อะไรไปอะ่ะเราตอมันตายอะ่ะเห็นหมแล้วข้อที่ห้า ชีวิตการเป็นอยู่ที่สุขสบายนี่ห้ารายการข้อที่หนึ่งอลัลลอฮ์ให้กับฟิรูนนี่นะหลังจากมันถูกทําลายไปแล้วอลัลลอฮ์เล่าเองนะครับข้อที่หนึ่งอลัลลอฮ์ให้สวนหลากหลายข้อที่สองให้ตานาม้มหลายตานามข้อที่สีให้ไร่นาทุ่งนาข้อที่สี่ให้อาคารระหูฐานสร้างใหญ่โตสวยงาม ข้ตที่ห้าการเป็นอยู่ที่สุขสบายให้ห้ารายการแบบนี้ไม่เคยสุยู่ต่ออลอเลยแม้แต่นิดเดียวท่านชีวิตแบบนี้เนี่ยอลอเล่าในกระพืคุรอ่านที่มันสร้างไว้สร้างไว้สร้างไว้เหนื่อยก็เหนื่อยทรมานคนก็ทรมานคนมันเท่าไรละใครทรมานเฟรูนทรมานบันนี่อิสรลอีนอะอย่านี้เป็นต้นฉะนั้นต้องทาเพื่ออลอให้หมด ในบ้านหลังหนึ่งที่ด่างที่ได้มาต้องขอบคุณเอาล้อเนี้ยเอาล้อให้มานะฉะนั้นชาวบ้านนบีเคยสร้างบ้านหลังหนึ่งพอสร้างเสร็จไปหานาบีบอกนบีช่วยไปที่บ้านฉะนหน่อยไม่อยากทาบุญขึ้นบ้านใหม่เนี้ยไม่เกี่ยวกันนะชวนนบีไปบ้านไปขอดูอาให้หน่อยนบีพอไปถึงนบีถามว่าคุณจะทําที่นมาศของบ้านคุณหลังนี้ตรงไหนใช่ไหม นี่นบีสอนดีนะคุณจะเอาทำที่นมาศบ้านคุณหลังใหม่นี้ตรงไหนนบีก็ไปนมาศสองเราอัาแล้วขอดุทานนีก็กลับนี่ให้รู้แบบว่าจะเรามาทํามากอะไรอีกทำบุญขึ้นบ้านใหม่รู้จะวางเอาปล่อยไปถ้าฟังศาสนาเยอะๆก็ไม่กล้าเหมือนนะถ้าไม่ฟังนี่ก็อร่อยปุยาตายายเอาต่อมาอายาที่สาบสอง والقد والقد اخترنهم على علم على العالمين والقد اخترنهم على علم على العالمين ดูสัตนะครับ اخترن าแปลว่าเราได้เลือกพวกเขา อิจตาตร์บว่เลือกอัลอาอิลมินความรู้บนความรู้คืออลลรรถรู้อ่าเล่าให้ฟังเพื่อไม่ให้ไม่ให้คนอ่านค น, น, รรน อ, อาน เ, เนี่ยสับสนอรรถเลือกเฟอร์อลเนี่ยเห็หมครับเรียกว่าเลือกบเนอิสรออีนก็ได้นะอัลาอิลมิน้วยความรู้ของพระองค์อัลาลอัลลมินเหนือประชาชาติทั้งหลาย นี่เป็นความประเสริฐข้อที่สองข้อที่หนึ่งอายาที่30บใช่ไหมให้รอดพ้นจากการจมน้ําเรื่องที่สองคือยกให้กลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ประเสริฐที่สุดพวกบรนีนอิสรลอีนนั้นเราเนเรายกเยอะนะวันนี้นะยกเยอะถาวันแล้วขอบคุณอะไรบ้างกับอัลลาฮฺนครับ อตศรนาเป็นไรนะเราได้เลือกพวกเขาอาลาอิลเมนความรู้บนความรู้อาลาเหนืออลาอิลเมนตประชาชาติในตับซุ่ะอธิบายไปวา่าที่เราล้อยกเนี่ยหนึ่งเพราะมีนบีมาเยอะคือนบีทั้งหมดที่มาเนี่ยส่วนใหญ่มาพวกบรีอิสรอีนหมดเลยในยกอย่างยก น บ, บีท่านสุดท้ายในอัลเิบาลนเองนะคือน บ, บีอิสราเอฮิ ส, าฮสาลามหมดแล้วเราก็เปลี่ยนมื อ, อถ่ายอำนาจจากกลุ่มนี้ไปให้ในกลุ่มอาหรับแทนเพราะว่าให้มาห้าหกรายการแล้ว ย, ย่อยิงจองหองอวดดีฉะนั้นไอเวิลด์วอ์แต่ละครั้งที่ผ่านมานี่ฝีมือใครกลุ่มนี้ทั้งหมดนี่ใหญ่เชื่อนะ ฟิมือระเบิดเวิร์นซิคันเฟิร์สวินวอรซิคันเวิร์นวระเบิดที่ญี่ปุ่นสองครั้งในฟีฟมือใครเ่ยไม่ใช่มุสลิมครับไม่ใช่มุฮัมมัดครับไม่ใช่ศาบาอับดุบีครับนี่จะถูกรังแกมุสลิมถูกรังแกถูกรังแกถูกรังแกถูกรังแกถูกรังแกเยียบกุณอ่านก็ถูกรังแกใช่ไหมพอเราฟังเราหูแดงกันนะร้อนนะ แต่ว่ากูอ่านก็เตือนสาบัดอดทนเดี๋ยวเราแก่แคนเองคำ <laughs> ดูิล่แหละหนึ่งพระมีนบีเยอะข้อที่สองพะบนีอิสลาอดทนกับนบีมูซามาตลอดที่ทำงานศาสนาปกป้องศาสนาของอัลลอ์นะแล้วก็ต่อต้านฟิรางูเนี่ยร่วมกับ น, นบีมูซานี่ทัพที่อธิบายดีนะวะจิ j าด a d ุม u m fi s แต่วพวกเขาต่อสู้ในคนทางของเราร่วมกับ น, น, นบีมูซาพาลัมมาบัดดารุลอีมานบิลกุฟตอมาพวกนี้เปลี่ยนจากอีมานมาเป็นทรยศอ่าอร่อยเลยกล็ตบะอาไลฮิมอร่อยเลยกริ้วโกรธจึงเปลี่ยนมือเปลี่ยนอำนาจมาอยู่ในกลุ่มอาหรับแทนแต่พวกเราวันนี้ทำอยู่แล้วเป็นกลุ่มชนที่นอบน้อมถ่อมตนต่อเรา มาดูสิการบ้าใช่ไหมมีคนตะาวาับยีิบสี่ชั่วโมงเลยไม่มีหยุดนะฝนตกก็ฝนไม่มีปัญหาน้าท่วมถึงไหนก็ตามแต่คนตะวับตลอดนี่นอ บ, น, อ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺสุภานต่อแล้ฉันรักษาอิมรยาตอัคลากษณ์นี้ไว้นะนอ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺนึกถึงอัลลอฮฺนา ม, มาตยาขาดจะลําบากแค่ไหนนา ม, มาตขาดไม่ได้นะครับพยายามรักษาอามาัณฑิซอลและเอาไว้ให้ดีนะครับ อตอมากข้ อ, อที่สาสิบสามว่าใน้นหุ่มในอัลออัต์มาฟีฮิบลาอุมุบีนและใจน้นหุ่มในอัลอา มาฟีบลาอุมบีน a l h a m d u l ล l l a h ماشاء ا มาดูสับครับ <c oughs> อาาัตนาหุมแปลว่าเราได้ประทานให้แก่พวกเขาหุมพวกเขาอาาัตนาเราได้ประทานให้กับพวกเขาเ่าเล่าเอง ฉันไม่มีอะไรเกิดขึ้นในความบังเอิญบนโลกมิยาแบบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญครับอลัลลอฮ์จัดให้จัดให้จัดให้เรื่องเรื่องดีๆทั้งหมดแต่บางคนคิดไม่ถึงเอาต่อมาครับอัลอฮ์ได้ใสัญญาณต่างๆอลัลลอฮ์ได้ให้สัญญาณต่างๆนะให้กับพวกเขาพวกเบ น, นิอิสราอิน มาฟีในนั้นบาลานบาลานเดิมแปลว่าการลงโทษหรือว่ามุซีบะความเดือดร้อนแต่ตรงนี้ไม่ใช่แปลว่าเดือดร้อนตรงนี้แปลว่าเนี้อธรรที่จับต้องได้ความปวดปานที่จับต้องได้ เนืมัดมีสองอย่างเนี่ยมัดที่มองเห็นโดยตาจับต้องได้กับเนยมัดที่มองไม่เห็นเรานได้ทั้งสองอย่างนะเนยมัดที่มองเห็นกับเนี่ยมัดที่มองไม่เห็นบ้านเนี่ยมัดมองเห็นรถเนยมัดมองเห็นภรรยาสามีเนยมัดมองเห็นลูกเนี่ยมัดมองเห็นเดินทางไปไหนมาไหนได้เนี่ยมัดมองเห็นนี่ลมให้ลมเย็นมานี่เนยมัดที่มองเห็น เนี้ยมัที่มองไม่เห็นน่ะอีมาน่ะมองเห็นนี่นะตักวายากนอิาสานอิคลาสเนี่ยไอความรู้สึกนอบนอบ้นอมถ่อมตนเนี่ยเนี้ยมัดที่มองไม่เห็นทั้งหมดนะแต่คนที่เป็นมุสมินเนี่ยเอารอให้ฉลาดแยกแยะระหว่างอะไรนะเนี่ยมัตที่รอฮิราัที่จับต้องได้เห็นได้ชัดชัด้วยตากับเนอ้ยมัดที่มองไม่เห็นขอยกตัวอย่าง มีชายคนหนึ่งในเดินอยู่กลางทุ่งและมีเสียงฟ้าร้องมีเสียงบนฟ้าเนี่ยมีเสียงบาว่าสั่งให้ก้อนเมฆพาก้อนเมฆฝนไปตกในที่ที่ของคนคนหนึ่งและเ อ, อ่ยชื่อด้วยไอ้สั่งเนี่ยเป็นเนี่อหมาที่มองเห็นแต่คำสั่งมาจากไหน่อนี่เนี้อหมาที่มองมองไม่เห็น แล้วฟังสามก้อนเมฆให้กอนเมฆเนี่ยพาไปตกในที่แล้วมีชื่อเอ่ยด้วยในมิเนียามันที่มองเห็นช้าคนณนี้ก็ไปไปไปไปไปไปไปไ ป, ไปเจอเนี่ยสวยฝนกําลังตกแล้วมีผู้ชาอยู่คนนยืน อ, อยู่ในสวนเขาก็ถามชื่อพอถามชื่อแล้วมันตรงกับที่มีเสียงกระชันฟ้าให้พาก้อนเมฆไปตกในที่ของคุณน่ะคุณทําอะไรดีหรือนี่เป็นเนาาี่ยมัน ที่มองเห็นนะทําไมเาลาพอใจคุณเหลือเกินนะแล้วก็ชาคนนี้ต่อ ว, ว่าฉันทําแบบนี้ในพูดถึงการการการบริจาคนะฉันได้ทรัพย์สินจากการขายเนี่ยผลไม้ก็ดีอะไรก็ดีในสวนเนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็ตามฉันแบง่งออกเป็นสามส่วนนี่เนี่ยมัดที่มองเห็นนะที่เขาขาบขาคุณเราล้ อ, อ ก, กันแบบนี้ไม่ใช่เก็บเก็บเก็บเฮ้ย มันเก็บตามใครอะตามกอรุลหรือเปล่ามันต้องนึกอะแบงกเอาไปสามหนึ่งได้ได้มาสักเอาสามแสนหนึ่งแสนให้ให้ครอบให้คนในครอบครัวหนึ 1, 000, ่งแสนเราไปลงทุนต่อไปอีกอะทำไมการลงทุนอีกสามมีเปล่ามีครับเรื่องที่สามบริจาคในของทางของเราเนี่ยเนี่ยอมาตย์เมื่อได้มาแล้วเป็นเนี่ยมัดติดรอฮห้จับต้องได้ ก็ต้องดูแลสังคมอม่ะดูแลลูกดูแลพัฒนางานต่อไป 1. นึงให้ครอบครัวสมองลงทุนต่อไปอีกให้มันเจริญก้าวหน้าข้อที่สามนึกถึงทางของอัลลอด้วยคนยากคนจนมสจัสยิดโรงเรียนเด็กกำพร้าอีกละ่ะแม่มองแม่มาในสังคมต้องดูแลเขานี่เขาเรียกว่าเนี่ยมาที่รอเฮ็ดที่จับต้องได้ฮาบิลลิลาอัอมาครับบลาอุนตะวาการอะไรนะ การทดสอบอันเป็นความโปดปรานทีนี้นะมูบีนิ้อย่างชัดเจนอย่างชัดแจ้งอัลฮัมดุลิลละอะไรบ้างครับก็เยอะแยะนะหกหกรายการจะล่าให้ฟังนี่แหละและอีกอย่างนึงก็คือมูซาเนี่ยพาโมจิศาส์มาจนไปเก้าข้อจำได้ใช่ไหมหนึ่งโยนมาตะพธเป็นงูในโมจิศาส์จะเห็นชัดๆเลย นี่รอเหี่จับต้องได้ชักเบือออกมาจากเนี่ยสีขาวแล้วก็ให้งะเหายเต็มหัวนี่มนั่นนั่ น, น, นบัลลนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้นบัลลบัลลหมายถึงความสุขความสบายความดีอลัลลอฮฺให้ทั้งสองอย่างเราจะแยกแยกออกได้ไหมล่ะแต่ตรงนี้อลัลลอฮฺตกลการจะแยกแยกให้เราแยกแยะว่า เนียามัดที่จับต้องได้กับเนี่ยอมัดที่จับต้องไม่ได้มันเป็นเนี่ยอ ม, มัดทั้งหมดที่มาจากอัลลอสุบฮานาะหูวะตอาลาในตำสีอธิบายบอกว่าอัลลอฮฺได้เลือกเลือกมูซาเนี่ยให้มาเป็นนบีโดยการแต่งตั้งที่ภูเขาตูรเข้าใจนะ ตอนกลางคืนเรื่องเรื่องเรื่องที่สองครั้งว่าอาัลลอฮ์เลือกไนงะเลือกพระเลือกผู้หญิงในโลกนี้นะมีอุ๊ซี่คนนะที่เด่นที่สุดในโลกนอ่นั่นไม่ใช่มีใครบ้างเลือกท่านหญิงขดียาสองเลือกท่านหญิงฟาติมาสามเลือกนางอาสียังภรรยาเฟโรนให้เป็นผู้หญิงที่อะไรนะ ผูห้หญิงนัมเบอร์วันของโลกอะอย่างนางอาซียาเนี่ยสามีเป็นเฟื่องโอนใช่ไหมในวันเกีย ม, มาจะแต่งกับใครอะน บ, บีเล่าเองเราจะยิงขริยาฟังในวันเกีย ม, มาเนี่ยอาละรอให้แต่งงานกับนางอาซียาอีกคนถามว่าบุคคลที่อรอเล่ามาเนี่ยเป็นคนที่สอยูตรรนะ่ต่อร้อนอะ ไม่ใช่คนเดียวเยอะหญิงจะกลับบูตรจองห้องนะไม่มีครับนอด น, น้อนตลอดหมดเลยอ่ะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่อรลรรรรรรรรรรรรรรรนรรรรรนรรรรนรนนระรรรรรรรรรรรรรรรงจะเป็นรออรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร่ารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรอ ด, ดาารรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนรรรรรรรรรเหนย่รรรรรรรรรรรรรรรรรรรร แต่แปลงนะคุณํางานศาสนานี่นะเขาไม่ได้แข่เทนะ่าไหร่แอดบ้าง <c oughs> <c oughs> เหนื่อยบ้างของงียบปุลิด้วงกันหายแล้วอัลลอ์ให้อนะสังเกตนะสังเกตอัลลอ์ให้นะมางทีแข่งนั่งบนรถหลับไปนิดหนึ่งโอ้มีแรงเลยด้วยแล้วขอให้เราทำงานเพื่ออัลลอฮ์นะครับอย่างนี้เป็นต้นต่อมาครับต่อมาอายุที่สามสิบสี่ อินนาอุลาอีลา յ ะกูลุนอินนาอุลาอีลา յ ะกูลุนข้อานี้เนี่ยอัลล์ลาให้ฟังเล่าถึงอกคดะของคนมุริก ที่ไม่เชื่อวันอาคระรอเป็นยังไงราวนี้ต้องเชื่อนะอิมานหกข้ออิมานต่อลออิมานต่อรัชูนอิมานต่อมาเลกะอิมานต่อคำพีอิมานต่อวันสิ้นโลกเนี่ยและอิมามความรวยความจนใครแข็งใครอ่อนแอใครมีลูกไม่มีลูกทั้งหมดอัลลอฮ์บริหารจัดการหมดเลยอะแต่ว่ามี คนกาเฟตในนครมักกะที่พูดฉันไม่เชื่อวันเกี่ยมอาอัลลอฮเอาคำพูดเหล่านี้นะเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังอามาดูสับอินน่าแปลว่าแท้จริงฮาอูละพวกเหล่านี้มาถึงชาวนครมักกะรสฉลาดพูดมากครับ ฝีนองมักกะที่แอนตีนบีที่ดานาบีที่ไล่นาบีออกจากนครมักกะแต่นบีอบยบอยู่ในนครมดินานี้รุ้ไหมพูดว่าไงลายกูรูนพวกเขาได้กล่าวอย่างแนวแน่ ว, ว่าอินหน้าเนี่ยแปล ว, ว่าแท้จริงเน้น เป็นคำพูดที่เลวนะที่เราเล่ า, ลาในเล่าในกุณอ่านอย่าลืมคำพูดของเราพยายามพูดจาดีๆอยาดาภรรยาเลยเขาซักเสื้อให้เราหุงข้าวให้เร า, เาล้อนะความสะอาดบ้านช่องนี่เขาดูแลหมดน่ะไม่ศิดดาเขาเ่ะนี่เรากล้ตัวเราแลนะอตี อินฮะอุลาแท้จริงพวกเขาเหล่านั้นชาวนครมะกะพวกเขาได้กล่าวอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปกล่าวว่าไงครับอินฮียาอิลลามะตาตูนัลอูล่าวะมานะฮ์นูบิมุนชารีนอินฮียาอิลลามะตาตูนัลอูลา ว่มานะพนุบิมุนซารินอัลฮัมดุลิลลอฮฺเป็นคำพูดของพวกชาวมักกะที่ปฏิเสธตัวตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วตายเลยเอาถามพวกเราวันนี้เราไน้ตายกี่ครั้งมุสลิมเนี่ยตายสองครั้งเราเกิดสองครั้ง เชื่อแบบนี้ครับนี่เชื่อตามกุอณอ่านทั้งหมดเชื่อตามที่นาบีมาสอนแต่คนกาฟิรินมุชริกีนมุนาฟิกีนเนี่ยเชื่อว่าตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวอาตายสองครั้งอธิบายยังไงตอนที่เราถูกสร้างมาเป็นวิญญาณนะนั่นเขาเรียกว่าสภาพคนตายกุอณอ่านอาย่ายไครับไก่ฟอตักฟูรูนบินลาฮีวกุนตุมอัมวาตา ฟ้าเฮียคุณซุ่มมาโยมีทุคุณซุ่มมาโยหายิคุณซุ่มมาอิลลัคิทุรจางอุนในสุรบาบะคารอนะพวกท่านจะปฏิเสธอัลลอฮ์ว่าไม่มีได้ยังไงในเมื่อมาอัลลอฮ์เนี่ยครั้งแรกทําให้คุณตายก่อนอธิบายยังไงตอนที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาสร้างวิญญาณมาก่อนแล้วก็อัลลอฮ์ก็วิญญาณตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายเลยนะ อลัลลอฮได้เรียกวิญญาณมาประชุมบอกว่าอัลลอฮฺตบิรับบิคุมฉันนี่ไม่ใช่เป็นผู้อภับาลของพวกท่านหรือกอรูบลาวิญญาณทุกดวงตอบว่าใช่อลัลลอฮเป็นรบของฉันยอมรับอลัลลอใช่ไหมพ่อเห็นอลัลลอฮตอนนี้เราเกิดครั้งแรก แต่ไม่เห็นอัลลอฮ์อัลลอฮห้เอาวัตถุมาแทนอ่ะเอาดวงอาทิตย์มาแทนเอาดวงจันทร์มาแทนเอาบ้านมาแทนเอาเมียมาแทนเอารถมาแทนเอาไมโครโฟนมาแทนแทนหมดเลยแต่อัลลอฮ์ไม่เห็นครับถ้าไม่อ่านกุรานอัลลอฮ์ไม่มีพระอ่านกุรานโอ้อลัลลอฮ์อัลลอฮ์มีอยู่เบื้องหลังอะ่ะมองไม่เห็นอะ่ะมองไม่เห็นต้องเชือ่อนั่นเราเกิดมาครั้งนี้เกิดครั้งแรก เลี้ยวอยู่ไปอยู่ไปตายนี่ตายครั้งที่สองสบายใจไหมไก่ฟอตักฟูรูนบิลแล้วเหวักุ้นตุมอัมวาตาคุณถูกเกิดมาให้ทาสภาพเป็นคนตายว่าอาหิยากุมให้ท่านมีชีวิตอยู่ในครั้งแรกซุมมาอยูมีตุก้มแล้วก็ทําให้คุณตายซุมมายู่หยีกุมอายุยีกุม้มครั้ ง, งที่สองนี่สิ คนอาหรับมุซิกียรรับไม่ได้มุมมัดเอาอะไรมาสอนนี่นะวางแผนไล่ออกจากมะกะไปเลยอย่าให้อยู่ที่นี่สอนเพี้ยนเพียสอนอะไรตายสองครั้งนี่เล่าไปลองฟังจะได้อิมานก็ได้เพิ่มขึ้นนะอินดูศัพท์นะอินอินแปลว่าบีมานามาแปลว่าไม่อินแปลว่าไม่ ในทับเสดหลายเล่มครับในทับเรดกบิรอ์อินแปนว่าไม่ฮิยอิลลาเมา ต, าตุนัลอุลาเมาตุนแปว่าความตายเมา ต, าตุนนความตายของเรา อ, ลอุลาครั้งแรกอูลามาถึงโลก โลกดุนย า, าคนกาเฟชเข้าใจว่าตายบนโลกดุนยาแล้วจบแล้วไม่ฟื้นอีกแล้วความรู้สึกแบบนี้ในโลกนีเยอะไห ม, มแล้วเราเนี่เชื่อว่าตายสองครั้งเดินตามกุรานแลวทำไงเป็นห่วงข้าปาเป็นห่วงอ่ะอยากจะสอนเขาเพื่อมาเยาะคุรานให้ดูสักเอ็งยังไม่สอน ซอนลังบามกันออน่ะว่าอวาดเนี่ยนบีนา ม, ามามาทำหน้าที่จบแล้วนันเหลือแต่พวกเราวันนี้จะทำงานจะช่วยอิสลามนี่มันจะแต่อัลลอฮ์สัญญาไว้น่ะอิสลามจะเป็นน u m b บอร์วันอีกส0สบปีข้างหน้าคนจะรับอิสลามมีอยู่คนนึงอ่ะเดินทางไปเมืองกะไดกาตาเขามาเดินทางนั่งเครื่องบินไปดูฟุตบอลแต่คนนี้ไม่ใช่ ไปรับอิสลามกับซาเกตเนกพออ่าล้วัลเทานี่ลีลาอโลนะใช่ไหมเขาเดินทางนั้นไปนะไปดีไปดูฟุตบอลแต่คนนี้ไม่คนนี้น่ะเขาปั้นยัฮูดีน่ะปั้นเอาไว้ให้เป็นบาทหลวงแล้วมาสอนศาสนาคริส แต่นี่ต้องเรียนศาสนาอิสลามด้วยนะถ้าไม่เรียนงนั้นเวลาโตอตอบกัชบชาวบ้านเขาเนี่ยมันไปไม่รอดนะเรียนอิสลามเพื่อจับพิษอืมแต่นี่พอเรียนไปเรียนไปเรียนไปเขาเล่าเองมีข้อบวกพร่องเยอะ <c oughs> ใจรักอิสลามเลยไนงะเขาสัาว์บั้นคนนี้ให้เป็นบาทหลวงในอนาคตมาทำลายอิสลาม ไที่ไหนได้เรียนไปเรียนไปอราเปลี่ยนบินไปที่เมืองกาตามันจะไปดูฟุตบอลนะไปรับอิสลามพระอ่านข่าวอย่างนี้ก็เป็นข่าวดีนะถ้าข่าวขาว่าวนี้นมันออกยากเหมือนกันนะอย่าพูดดีท่ให้ออกหรอกนะน่ะมันออกมาทำดูดีแล้วขอบคุณลลธทรมอีมาเราเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเอาต่อมาครับอินฮียอิลล เมาตาตูนัลูละมันเป็นเพียงความตายครั้งแรกของเราในโลกนี้เท่านั้นวามานาฮันดูบิมุนชารีและเราจะไม่ถูกให้ฟื้นขึ้นมุนชารีแปลว่าถูกให้ฟื้นขึ้นจะไม่ฟื้นขึ้นอีกหลังตายไปแล้วนี่เป็นความเชื่อของคนกาเฟในนครมักกะ เดีนี้มันกระจายไปทั่วเลยนะอิทิพลขอ ง, ขอ ง, ของนครมการอิจฉบนเยอะมากนะเนี่ยร่อนเล่าให้ฟังอัลลอฮฺอักบัตในคุรานอายาที่สามสิบห้าเนี่ยรเล่านะอักีดะของผู้ไร้ศรัทธาตายมีครั้งเดียวแล้วเกิดก็ครั้งเดียวแต่เราเชื่อกี่ครั้ง สองครั้งอธิบายลูกฟังด้วยแลถามลูกตายกี่ครั้งเด็กมันก็พูดเหมือนกันหมดแหละครั้งเดียวผมไปอบรมนักเรียนนักเรียนศา ส, ส น, นาธรรมปากปยุนนะ่ะก็ให้อบรมหน้าแถวอ่ะนะผมก็ถามเขาว่าตายกี่ครั้งครั้งเดียวครับ ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทั้งหมดนั่นแหละแม้แต่บุสลิมเราบางคนก็ยังไม่รู้เลว า, าตายกี่ครั้งเพราะ อ, อธิบายโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต น, นเราต้องนึกนะวันนี้เราเนี่ยถูกรังแกถูกนูน่นถูกนี้เต็มไปหมดแล้วใครจะแก้แค้นแทนเราผู้ไม่ยอมคุณอัชนะบนโลกใบนี้แพ้บ้างก็ได้ ก็ยังมีอีกวันหนึ่งโลกอาคราิลอนนั่นสารใหญ่ของอัลลอฮ์สารวันนี้อัลลอฮ์อักบะร์ตะกึง น, นึกเองก่อนแล้วก็มาตัางอธิบายก่อนใหญ่ใช่ไหมฉะนั้นที่ผมเน้นประจําบอว่ามุสลิมจะอยู่ตรงไหนของโลกก็าตามให้ทําวันหนึ่งเจ็ดข้อข้อที่หนึ่งให้อ่านกุรานทุกวันจะได้ความรู้ข้อที่สองนมาญยาคารข้อที่สามให บริจาคสม่ำเสมอข้อที่สี่ให้ขอดูอาข้อที่ห้าให้วิกรุลล้อข้อที่หอย่าตัดขาดกับญาติพี่น้องตัวเองนั่นเป็นอามัน์ที่ซอเลจะขึ้นข้างบนหมดเลยพวกเนี้แล้วก็ให้ให้อภัยับคนไม่ใช่ด่าคนไล่คนไล่คนออกจากศาสนาอิสลามนะเมียมิจะเชิญชวนผู้ใาดีๆให้พี่น้องเขาฟังเออพี่น้องเออนี่ อิสลามสอนแบบนี้นบีสอนแบบนี้นี่เป็นตัวนกะ่อนจะจบก็คือนบีสอนอย่างนี้นะครับละอินชาการตุมละอาซีดานนะกุม ถ้าหากท่านทั้งหลายขอบคุณอัลลอฮ์จะยืง่งยิงยิง่งยิ่งเพิ่มให้ไม่ใช่ลดนะยิ่งมามัสยิดบ่อยๆยิย่งอ่านกัมรอ่อานบ่อยๆยิย่งบริจาคบ่อยๆเนี่ Allah ยอัลลอ์ยิ่งเพิ่มให้นะแล้วก็วะอินวะลาอินกัฟารตุมทหาท่านทั้งหลายนี่ทอดียดต่ออนะั i, ลลอ์นะอินนาดะบีลาชะดีแท้จริงการลงโทษของฉันเนี่ยรุนแรงแต่นี่บางคนเนี่ยอัลลอ ทดสอบบนบนดุญญาเนี่ยมันนะชั่วด้วยแต่อา l a h ก็ให้อะให้เพื่อให้ลงนะแต่ความจริงเ้าก็ให้เหมือนกันเนะประวิงเวลาเอาไว้ไม่ลงมอต้องมองได้สองสองแง่เลยนะนอยา่างฟิลิป์เนี่ย a เ, เปิดโอกาสให้ตั้ง400ปีนะส่งมูซามาอะไรมาน่าจะกลับเงินกลับตัวได้ใช่ไหมล่ะไม่ทำแล้วก็ตาย กลางทะเลสมศักดิ์ศรีพูดถึงศักดิ์ศรีนะมันตายง่ายๆแบบนี้ตายน้ําตื้นอย่างเงี้ยแะนี่ยเป็นข้อเตือนใจฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณอัลลอฮฺพยายามเดินตามสุนนะนบีเท่านั้นถึงจะปลอดภยัยถ้าอย่างนั้นไม่ปลอดภัยครับเดินตามใครก็ไม่ปลอดภยัยเดินตามนาบีนบีถูกดา่นานบีเคย ขนาดมรดการลงมาจะแก้แค er, ้นแทนเอาายไปเอาไม่เอาไม่เอเราจะอยโทษยเอาอย่างนี้เป็นต้นมดเลกับัลลอฮมะวะบิฮัมดิกซุลาลิลลฮิลลอันตสตัุร์กาวะตบอิล